คุณผู้ฟังนะฮะเข้าสู่กรอบข่าวเช้าวันศุกร์เจอกันในต้นเดือนของกรกฎ า, าคมช่วงเวลาของฝนฟ้าโปรยปรายนะฮะมากับพายุอ่าพายุโซนร้อนหมูลนั่นเองนะฮะหลายพื้นที่เจอฝนกันไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นปัญหากับคนที่ต้องซักผ้านะฮะ เจอคันในช่วงเวลาที่ fm 8 9 5วิทยุราชมงคลทั ญ, ญ, ญบุรีผมปิยะพงษ์เคนทาวายพร้อมด้วยคุณอาทิตยาปักกาธานางครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยะพงษ์ตกไปอย่างต่อนเนื่องนะฮะหลายวันที่ผ่านมานี้ได้ประหยัดน้ําที่บ้านดิฉันไปหลายลิตรเพราะที่บ้านปลูกต้นไม้อ่านะฮะปลูกมะนาวด้วยนางปิยะพงษ์เอานะฮะก็น้ําน้อยนิดนึงถ้ารดน้ําเยอะไม่รู้หรือเปล่านะมะนาวนี่รดน้าเยอะนี่เขาตามนี้ใช่ไหม หรือว่าแล้วแต่สายพันธุ์เนาะแล้วแล้วแต่พันธุ์นะแล้วแต่สายพันธุ์นั่นน่ะสิแต่ก็มันต้องดูการบํารุงด้วยแหละอ่าแต่ก็ยังใช้ได้อยู่มหมายถึงว่าก็ครัวเรือนนี่แหละนะค ะ, ะใช้ภายในบ้านนะช่วมะนาวแพงก็ยังแบบว่ามีมะนาวใช้กันบ้างปลูกไว้เถอะฮะ <laughs> พ อ, <laughs> พ, อพอถึงระยะหนึ่งดเดี๋ยวเขาก็จะเป็น ทิ้งทิ้งเหมือนทิ้งช่วงที่บ้านผมเขาก็ปลูกนะ<ช>พอออกลูกเนี่ยออกลูกแบบโฮมไม่รู้จะไปแจกใครอ่ะมันเยอะเยอะมากมันเยอะจริงๆก็คันทานเองก็ได้คูณใส่น้ำพงน้ำพึง้งนะบำรุงเส้นเสียงกัน ะะก็ถือว่าเป็นเคล็ดหนึ่งนะสำหรับ<า>ใคร<ๆ>ที่แบบเออแบบเจ็บคอบ่อยนะคะก็อาจจะเป็นแบบมะนาผสมน้ําอุ่นนะคะแล้วก็มีน้ําผึ้งเล็กน้อยอนะเป็นสูตรที่เรารับประทานกันนั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องราวของฝนตกค่ะคุณช่วงนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าพอฝนตกปุ๊บเนี่ยมันก็มีโรคหลายโรคด้วยกันที่มันมากับช่วงหน้าฝนนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือโรคไข้เลือดออกอ่านะคะไข้เลือดออกเองเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องหน้าฝนนะ คือทุกหน้าเลยนะคะผู้ฟังเพราะว่าการเพราะพันยุงต่างเนี่ยที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากการที่ว่า ตามบ้านเนี่ยเรามีเรื่องของน้ําท่วมขังหรือเปล่า อ, อน้ํานิ่งอ่ะพูด ง, ง่ายๆยุงวางไข่ได้นะคะครหรือบางทีเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าที่บ้านเนี่ยโหของเยอะแยะมากมายเลยล้อรถเก่าๆบ้างแหละกระถางเก่าๆบ้างแหละก็ไม่ได้คว่ำนะปรากฏว่าพอน้ําท่วมเน้ําอ่ำขอไปค่ะฝนตกเนี่ยมันก็เกิดอาจจะเป็นแบบว่าน้ําขังเล็กน้อยอะ่ะแต่มันก็เพาะพันยุงได้เออตอนในเด็กอีฉันยังเคยไปสังเกตลูกน้านะคุณครับก็ เอ้มันเป็นตัวเล็กๆเนอะลูกนาวลูกออสในช่วงหน้าฝนใช่ไหมนี่แหละค่ะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนั่นเองผมชอบเอาไปตักแล้วก็าไปให้ปลากนปลาหางนกยุงที่บ้านใช่ไหมโอ้โปรดปรานนะคุณนะดูโหดร้ายนึกเมื่อฟังแต่ว่าก็เป็นวิธีการในการกําจัดนะฮะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหลายกันด้วยนะฮะเอ้ามาดูเรื่องราวของหลายสถานการณ์หลายพื้นที่นะครับว่าเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกบางโรงเรียนบางพื้นที่เองเนี่ย ก็ใกล้กับแหล่งเพาะพันยุงหรือะจะเป็นแหล่งน้ำนะฮะแล้วก็เจอยุงเนี่ยเยอะอย น, นะฮะมันแหล่งน้ํามันแก้ไม่ได้จริงนะใช่ครับผมเอาวิธีการแก้ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาบอกงี้ฮะเขาใช้มุ้งนะฮะมากลางในห้องเรียนเขาบอกว่าเพื่อป้องกันไข้เลือดออกอันนี้ก็วิธีการแก้เบื้องต้นนะใช่คือแบบเหมือนแบบว่า ต้องบอกว่าต้องบอกว่าภาพเนี้ยคือการกางมุ้งของเขาเนี่ยคุณลองคิดภาพในต่างจังหวัดที่เขากางมุ้งกันแบบว่ามันจะครอบทั้งทั้งห้องใช่มครัเอออันนี้ก็ครอบทั้งห้องแล้วก็มีเด็กๆ ก, ก็มีเก้าอี้อยู่ในมุ้งกันแล้วเขาก็มองกระดานผ่านมุ้งสีชมพูเออะนะฮะซึ่งคุณครูท่านนี้ค่ะสถานการณ์จากโรคไข้เลือดออกที่ระบาดเนี่ย น, นะคะหลายพื้นที่เองเนี่ยเพราะไปช่วงหน้าฝนเนี่ย น, นะคะก็ส่งผลให้หลายพื้นที่เนี่ยเขามีตัวเลขผู้ป่วยที่พุ่งสูงมากขึ้นทําให้ประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้ปกครองเองเนี่ยก็ เรื่องของความปลอดภัยของบุตรหลานนะคะล่าสุดค่ะา ส, าสาม ก, กันกดาคมที่ผ่านมานะคะ Facebook รอพอสอตโรงพีบาลสุขภาพตันบนหนองกวางเขามีการเผยภาพค่ะคุณโรงเรียนบ้านหนองกวางจังหวัดสกลนคระนะคะเขามีการนํามุ้งเนี่ยคุณครูนะนํามุ้งมากางในห้องเรียนให้เด็กๆเนี่ยปลอดภัยจากยุงลายค่ะซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ชวนประทับใจน ะ, ะหลายคนก็แบบแชร์ข้อมูลกันไปงานนี้นะคะแชร์ออกไปกว่า 16,00 งครั้งในโลกออนไลน์แล้วนะ อืมไม่ใช่เล่น เ, เนก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับก็คุณครูก็แก้ปัญหานะครับว่ามไม่อยากให้เด็กนักเรียนเนี่ยโดนยุงกัดนะฮะแต่ว่าจริงๆก็คงต้องฝากถึงสาธารณสุขหรื อ, อหน่วยดูแลนะฮะเข้าไปดูแลเหมือนทำการฉีดนะฮะเขาเรียกพ่นยา พัยากันหน่อยนะฮะอาก็ทําหน้าที่กันไปก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนาเสนอกันมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะการช่วยเหลือของเด็กยากไร้ต้องบอกว่ามีหลากหลายระดับบางครั้งบางคราวเราเห็นเด็กนักเรียนเนี่ยที่แต่งตัวแบบตบอบอกมอมแม ม, มหรือใส่ชุดนักเรียนเก่าๆแหมแ ม, มัน มัน ด, ดูดูไม่ไม่ดีจังเลยเดูไม่ค่อยดีเห็นแล้วอยากจะไปรื้อชุดที่มันเคยมีอยู่นะแต่ก็นึกขึน้นได้ว่าเอเราก็บริจาค ก, กันไปมานานมาแล้วน ะ, ะใช่แล้วนะครับมีแนวคิดหนึ่งฮะคุณผู้ฟังฮะแต่ว่าก็ต้องมองให้หลากหลายมุมนะ<ช>ไม่ใช่ว่า<ะ>แบบอ้ยไม่ดีหรอกมันเป็นยังไงเขามีมุมมองหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าควรจะ ปรับเรื่องของพุงหลีที่เราใช้งานศพเนี่ยปกตินะเราจะเห็นว่าอ่าปกติก็จะมีพุงหลีดอัมีดอกอ่าที่เป็นแบบจะเป็นช่อไว้อ่าเป็นช่ออ่ามีเป็นผ้านะเป็นผ้าหม่มเป็นหน้ารีการเป็นนูเนี่ยก็ปรบับกันไปเขาบอกว่าเอาเป็นชุดนักเรียนไหม เออแต่ผมก็ยังไม่เห็นภาพนะว่าการจะทําเป็นชุดเนี่ยยังไงคือมันก็อาจจะเอ่มันมันเหมาะไหมหเลอยังไงคือเขาทําเป็นชุดแบบว่าเหมือนเหมือนแขวนเสื้อเปียพงถ้าใครเคยเห็นคือเสื้อผ้าชุดนักเรียนที่รีดออกจากร้านจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็เอาเอาถุงพลาสติกเนี่ยคลุมอีกทีนึงเป็นพลาสติกสายนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคาดคาดเหมือนกับพงลีดปกติเลยค่ะเป็นชื่อครอบครัวของผู้ที่บริจาคพงลีดนะคะแล้วก็แปะบนชุดนี่แหละ ค่านะคะจริงๆน่าจะทําเหมือนพัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องติดอะไรเงี้ยก็ทําเป็นกล่องเป็นอะไรเงี้ยเอานะวางเปกล่องเอาไว้อย่างนั้นเชิญน่าจะดีกว่าน่าจะแบบเออจะเป็นแบบชุดนักเรียนแต่คุณแบบทําเป็นกล่องให้มันดูสวยงามอะไรเงี้ยแต่เรื่องราวนี้นะคะที่เราพูดถึงกันเนี่ยเป็นการแชร์ข้อมูลจาก Facebook นะคะคุณคงเจดพร้อมหนุ่มพลนะคะก็มีการโพสต์ภาพพวงรีดในงานศพที่เขาได้เจอมาคือใช้ชุดนักเรียนนี่ยแหละค่ะแทนการใช้ดอกไม้สดพร้อมกับระบุข้อความนะคะว่ามีรุ่นน้องที่เป็นคนใต้ โพสภาพรีดที่ใช้ในงานศพทางใต้ผมเห็นว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีแทนที่รีดดอกไม้ไปเลยสนับสนุนแนวคิดนี้ครับทั้งนี้นะคะโพสดังกล่าวเนี่ยพอถูกแพร่ออกไปแล้วนะคะก็มีคนมาแสดงความเห็นติดต่อเรื่องราวเป็นจำนวนมากเลยนะคะว่าเป็นแนวคิดที่ดีในด้านบวกนะแล้วก็ยังมีการนําไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ได้ด้วยตอนนี้เนี่ยคนแชร์ความคิดนี้นะคุณ2 0,000 ืกว่าครั้งแล้วค่ะ คุณู้ปองคิดยังไงอ๋อผมเห็นแล้วเห็นแล้วก็คือเหมือนเป็นชุดนักเรียนนี่แหละแล้วก็เป็นเก่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งเป็นชุดเลยเหมือนอเหมือนเหมือนล้านขขยเสื้อเหมือนล้านไขยเสือเส้อเพีงแต่ว่าติดติด ติดป้ายเฉยๆว่าเป็นครอบครัวติดป้ายติดเวลาติดป้ายเนี่ยก็ไม่ดูน่ากลัวนะอุบลน่ากลัวไหมคือถ้าเป็นกระดาษแบบกระดาษสีเทาๆอ่ะกระดาษสีเทากระดาษชาร์ดนะแล้วก็เป็นหนังสือเขียนว่าเป็นครอบครัวนี่นู่นนี่นั่นแค่นั้นพอถูกต้องโอเคอันนี้อันนี้คือเห็นภาพแล้วอันนี้ไม่ได้ดูน่ากลัวเลยพอไปดูปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ดูมีความมืดมืดมนหรือว่าดูแบบเป็นเรื่องที่มันแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นของจากงานศพเนี่ยมันยังไงคือ ตอนที่เราเอาไปวางตั้งเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการทําบุญคือผู้ที่อวัยชนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสในการที่นําในสิ่งที่คุณอมอบให้ในตรงนี้นะอ ม, มอบให้กับเด็กๆแล้วก็มันก็เป็นบุญต่อกับเขาด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าผู้รับเองไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการที่จะมาจากที่ใดอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นการแบบช่วยเหลือเด็กจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่นะคุณพิพงศ์ดูเมื่อสักครูน่นี้ถ้าคุณฟังเซิ์ดูก็จะเห็นว่าชุดใหมเอี่ยมไหมเอี่ยมไหมเอี่ยมเลยไม่ทำอะไรเลย นะเพียงแค่ว่าเอามาตั้งเฉยจุนนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงนะฮะอ้าวจริงๆก็ก็เป็นอีกมุมมองมองแนวคิดแล้วต้องบอกอย่างหนึ่งว่าก็ต้องเป็นเหมือนเหมือนความต้องการแล้วก็วัฒนธรรมของคนในพื้นที่นะเขาเขาปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดและทัศนคติแต่ถ้าบางทีเราแบบโหไปนิดปึ๊บไปส่งแบบนี้บางพื้นที่ยังไม่ยอมรับนะดิฉันมองว่ามันเหมือนกันให้การศึกษานะแต่แต่ต้องบอกว่าถ้าทางเจ้าภาพ ประสงค์อ า, อาจจะแจ้งไว้เบื้องต้นว่าไม่รับเป็นช่อดอกไม้ไปเป็นรีลดดอกไม้นะขอประสงค์จะเป็นแบบนี้ดีกว่าไหมเพื่อจะได้<อ>ไม่สเสียต่อคือคืออย่างเงี้ออยเขาไม่ได้ตั้งไว้ในไว้ในสาระหรอกดิฉันว่ า, อ, อ, ย า, อ, อ, ยา อ, อย่างนั้นนะก็คือจะตั้งไว้ด้านนอกนั่นแหละนะะเพราะสัญญาสาระก็จะเป็นพวกดอกไม้อ่าวก็เป็นอีกอีกมุมมองหนึ่งนะฮะที่นํามาฝากกันด้วยนะฮะเอามาดูเรื่องราวของสัตว์คุ้มครองกันบ้างคุณฟังฮะเราจะเคยเห็นว่าพอมีนักท่องเที่ยวมา ก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นเยอะคือบางคือบางทีเนี่ยเราไม่บอกว่าอาจจะเกิดจากไกด์ด้วยบางทีอาจจะไม่ทราบอันนี้ก็จะไป็นประเด็นะแต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจากกองถ่ายรายการดังของทางเกาหลีใต้อเดินทางมาที่บ้านเรานี่แหละคุณผู้ฟังฮะเขามันก็จะมีวิธีการมันก็จะมีภารกิจ่หมือนก็เหมือนจะเหมือนมีภารกิจเป็นรายการเหมือนแบบ ผจนภายในป่ า, อ, าอะไรอย่างเงี้ยมีมภารกิจให้เราทำ น, นู่นนี่น่เพื่อให้คนติดตามใช่ค่ะแต่กระบวนการเนี่ยมีการถ่ายทำแล้วต้องไปหาอาหารค่ ะ, ะเผอิญฮะคนในรายการนี่แหล ะ, ะเผอิญไปเจอสัตว์คุ้มครองที่มีชื่อว่าหอ ย, หอยมือเสือซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในลิสต์รายการคุ้มครองแน่นอนแล้วะะก็เกิดเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งช่องวันเองเนี่ยเขามีการเผยแพร่เรื่องร้องเรียนจากผู้ชมรายการ Low o f The Angel ทางสถานีโทรทัศน์ SBF ของเกาหลีใต้นะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยเขาเป็นรายการที่พาคนดังพ า, าราค่ะคุณไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ออกอากาศตอนนี้เนี่ยตอนที่370นะคะซึ่งเป็นตอนที่มาถ่ายทําบนหาดเพทายที่เกาะมุกจังหวัดรังผู้ร่วมรายการนะคะเป็นนักแสดงสาวชื่ออียอนอึมซึ่งสาเหตุในการร้องเรียนของผู้ชมครั้งนี้เนี่ยได้มาจากว่านักแสดงสาวอียอนอึมเนี่ยนะคะมีการดําน้ําลงไปจับหอยมือเสือสตัวค่ะคุณเพื่อนํา ม, มาทําเป็นอาหารกินทั้งที่หอยมือเสือนี้นะคะทูก ประกาศเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์น้ําที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ห้ามจับหรือนําขึ้นเรือประมงตามราชกิจจานุเบกษาของไทยค่ะคือข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการระบุนะครับว่าหอยมือเสือในไทยเอเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองคุณผู้ฟังอยู่ในบัญชีสัตว์สงวนและคุ้งครองประเภท2ตามพรบสงอ่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี35คือการห้ามห้ามล่าห้ามมีห้ามซื้อขายคนฝ่าฝืนเนี่ยนะจำคุกไม่เกินส ปีปรับให้เกิน4ี่0 0บาทส่วนเปลือกนะฮะเปลือ ก, อกหอ ย, หอยมือนะเสือเองเนี่ยถือเป็นซากสัตว์ป่าเช่นเดียวกับประการังห้ามซื้อห้ามขายด้วยนะ ห้ามนํามาวางประดับตกแต่งห้ามใช้เป็นที่เขียบบุรีหรือใช้ที่วางสบู่ตามโรงแรมร้านอาหารด้วยคือไม่ได้เลยห้ามทุกอย่างคือมีการรายงานข่าวบอกว่ามีการส่งเรื่องนี้ไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วนะครับและฐานเจ้าหน้าที่บอกจะตรวจสอบให้แต่ก็ยังบอกว่ายังรอความคืบหน้าอยู่และกลัวเรื่องจะเงียบหายไปอย่างนั้นก็ตามเนียบปกติรายการดังกล่าวเนี่ยมักจะทําตามกฎของประเทศต่างๆด้วยที่ไปถ่ายทําอย่างเข้มงวดแต่เมื่อถึงไทยเ้าก็บอกว่าเอ๊ะทำไม ทำไมเนะเาะอาจจะพลาดหรือเปล่า อ, อาจจะไม่รอบคอมในส่วนของการสืบข้อมูลหรือเปล่าหรือบางทีเก็บลงไปแล้วเนี่ย<ะ>ก็ทำเลยลืมเช็คเทปเท็กะไร<า>มันก็นนมันก็มีการอ้ออากาศกันไปก็เป็น<อ>ประเด็นเป็นเรื่องราวที่มีการพูดคุยกันนะฮะอ้าว ก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้ฮ ะ, ะต้องรอติดตามกันนะคะว่าทางด้านของผู้จัดทําเองเนี่ยเขาจะมีการตอบออกมาอย่างไรนะคะมากระที่เรื่องราวนึงดีกว่าพูดถึงเรื่องราวของกลมใช้แมกรทางทะเลและชายฝั่งแล้วไม่พูดถึงไม่ได้ตอนนี้นะคะสำหรับเจ้าพยูนตัวน้อยก็คือมารีมนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการพบพายุอีกตัวหนึ่งเปี่ยกพงเป็นพายุเพศผู้เป็นลูกพายุเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยมีการชวนให้ผู้ที่สนใจคะ่ะมาร่วมในการตั้งชื่อลูกพยูนตัวน้อยวัยสเดือนที่พลัดหลงกับแม่ที่บ้านบอ จังหวัดกระบี่นะคะทางนักโซเชียลเองก็พากันเลยค่ะช่วยกันตั้งชื่อให้คล้องกับมาเรียมพายุนชื่อดังค่ะคือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเองก็โพสต์ข้อความว่าท่านอธิบดีนะฮะท่านจตุพรบุรุษพัดเองลงพื้นที่ที่ภูเก็ตนะติดตามกรณีพบลูกพายุอีกตัวหนึ่งที่พัดหลงใหม่เนี่ยนะฮ ะ, ะเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณบ้านบ่อม่วงตําบลทรายขาวอําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่คือเป็นลูกพยูนตัวผู้เนี่ยนะฮะอายุ3เดือนอ ความยาวร1 1เซน<ะ>รอบตัว66เซนน้ำหนักประมาณ25กิโลก ร, รมัมหลายคนก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไปอยู่กับมาเรียไหม <c oughs> คือคาดหวังตอนนั้นก็อยากจะเอาอไปนะแต่กว่าจะเดินทางไปถึงนู่นนี่นั่น่ ไ, ไตัดสินใจก็ทําการอนุบาลอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากภูเก็ตแหลมพันวาค่ะท <c oughs> น, นี้ก็เป็นการเพื่อเป็นการให้กําลังใจในการดูแลแล้วก็มีส่วน ร, ร่วมในการอนุรักษ์และก็ดูแลลูกพายูนตัวดังกล่าวเองก็เชิญชวนคุณผู้ฟังอ่ะแล้วก็แขกคุณมเกรติทุกท่านนะฮะแล้วก็ถือว่ชุดนี้เขาแล้วมาร่ ตั้งชื่อพายุนตัวใหม่นี้เขาบอกว่าจะปิดตั้งชื่อ21กรกฎาคมประกาศผลในวันที่22กรกฎาคมในกรณีที่มีชื่อซ้ำมีชื่อซ <aluminium S 1> ้ำด้วยเหรอจะพิจารณาจากเหตุผลและลำดับในการทรงชื่อนะอ่ะ สำหรับกติกาง่ายๆนะคะคุณคุณเข้าไปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเลยค่ะถูกใจแฟนเพจกลมเสบียงกรทางทะเลและชายฝั่งนะคะส่งชื่อพร้อมเหตุผลที่โดนใจใต้โพสต์นั้นติดแฮชแท็กค่ะ dmcrths และแฮชแท็กรักทะเลแฮชแท็กสัตว์ทะเลสงวนแชร์โพสต์ไปยัง Facebook ส่วนตัวของคุณพร้อมเปิดเป็นสาธารณะนะคะเรืยวยาวาร่วมกิจกรรมก็ถึง21กรกฎาคมอย่างที่บอกกันนะคะปิดการร่วมกิจกรรมเวลา18นาฬกาของวันที่21กรกฎาคมและคําตอบเหตุผลที่โดนใจคณะกรรมการ มากที่สุดก็รับของรางวัลกันไปเลยนะคะประกาศรายชื่อ22กรกฎาคมเงื่อนไขนะคะการตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะอาชื่อตัวอย่างอย่างเช่นนะฮะมารูนไปภาษาเหนือคือแปลว่ามาทีหลังเพราะเราเจอพายุนตัวน้อยนี้หลังมาเรียมเนี่ยัมีคนตั้งชื่อมาขวัญมาเรียมบางคนก็ตั้งแบบนี้นะ มาขวัญเหรอคะมาขวัญมาขวัญเรียมใช่ไหมเออมาเรียอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นแบบทางเป็นแบบทางศาสนากันไปสักนิดหนึ่งนะฮะก็มาขวัญนี่เนี่ยคนบอกมาวินอย่างเงี้ยนะฮะมาวินเออนาวาอะไรเงี้ยนะฮะเจ้าตองหนึ่งเออเพราะว่าตัวความยาวคุณไม่ใช่ใจปิดมันอาจจะตัวยาวขึ้นก็ได้นะฮะนี่คนหนึ่งขวัญเลคุณผฟังคืออะไรคุณเออมิราคือขวัญเลเนี่ยก็บอกว่าเออน่าจะจะได้คู่กับ ขวัญกับเรียมเนี่ยนะะขวัเลมาเรียมเนี้ยหรอมีพบรักนาวาพรนาวาสีนาวาน้องมงคลน้องมาดีน้องมาเฟียอ้าวคุณผู้ฟังอยากจะร่วมสนุกนะฮะแชร์กันไปผมว่ามีหลายชื่อผดคนที่กดไลก์นี่เยอะนะ มาลูนมาลูนมาลูนเอาอย่างนี้ผมอ่านไ้เพรานึกถึงมาลูนไฟน์นะมาลูนเป็นภาษาเหนือแปลว่ามาทีหลังเพราะเราเจอน้องพยูนตัวน้อยเนี่ยหลังจากมาเรียมมาลูนยังพ้องเสียงกับคำภาษาอังกฤษว่ามาลูน M A R W O N แปลว่าสีแดงเลือดหมูแดงช้ำๆ้ำอันนี้คนกดให้ติดแบบคอมเมนต์นี้นะคุณชื่อน่ารักดี 1, 378ไล์ S <S <S เออนะฮะแล้วก็มีคนโพสให้กำลังใจนูน่นนี่นะโอ้เยอะไปหมดเลยไปร่วมสนุกกันอ้าวมาดูความเคลื่อนไหวของพายุมาเรียมกันสนิดหนึ่งตอนนี้ T.O.T. และก็กรมทรัพยากรทางทะเลใจฝั่งเร่งติดตั้งนะฮะแล้วก็วางระบบโครงข่ายรับสัญญาณการรับการส่งสัญญาณอินเทอร์เนต็ตพร้อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเ<ะ>ตรียมถ่ายทอดสดคุณผู้ฟัง พายุนตัวน้อยมาเรีย ม, มผมเชื่อว่ามันจะเป็นแบบปรากฏการณ์ของประเทศไทย ใ, ในการที่จะติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของมาเรียมให้คนได้สนใจศึกษาความเป็นอยู่การเรียนรู้การอนุบาลมาเรียมในสถานที่เปิดในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลทิ่นอาศัยการหากิ น, ก า, า ก, นการหลับนอนของพายุนสัตว์ทะเลหายากในท้องทะเลตรังตลอด24ชั่วโมงเขาติดตั้งกล้อง6ตัวนะคุณผู้ฟังอคือจํานวนนี้ติดตั้งในทะเล2ตัวและ มีกล้องเคลื่อนที่กับเจ้าหน้าที่อีกที่ไปอยู่กับมาเรียมเพื่อเป็นการปลุกกระแสการเตือนตัวในการอนุรักพายุนผมเชื่อว่ากระแสมาเรียมเนี่ยก็จะเป็นผมเดี๋ยวว่าแมสคอตเนี่ยที่แบบพูดถึงมาเรียมเนี่ยก็จะต้ก่อนคนก็ดูแพนด้ากันตอนนี้เราเป็นเป็นพายุนอ่านะคะเป็นสัตว์ทะเลหายากในไทยนี่แหละนะคะแล้วก็บอกว่าติดตั้งเสร็จน่าจะเป็นวันนี้วันนี้วันนี้วันะฮะก็เตรียมพร้อมในการรอถ่ายเท่าสดนะฮะใช้แล้วผมก็ติดตามนะ เห็นเขาแบบกระเกยตื่นนะก็ดูดครีมของเขาเองเนี่ยโอ้ยก็แบบเขาก็อ้อนอ้อนเนาะน่ารักน่ารักกับแม่ส้มของเขาใช่แล้วอาอย่าลืมร่วมกิจกรรมด้วยแล้วก็ไปติดตามมาเรียนกันได้นะคะพักกันสักครู่นึ่งก่อนช่วงหน้าค่ะตอนนี้นะใครที่จะไปช็อปตามห้างต่างๆต้องเริ่มติดตามแล้วนะเพราะว่ามีบางที่ค่ะคุณที่จะไม่มีการแจกถุงพลาสติกอีกแล้วติดตามในช่วงหน้าค่ะ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 ในกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะคะในช่วงนี้ค่ะก็ฟังท่านใดที่เตรียมตัวจะไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันนะบางทีซื้อของเยอะแยะมากมายเลยไม่ได้เตรียมถุงพลาสติกไปงานนี้ต้องคิดนิดนึงนะคะเพราะว่าวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลเนี่ยทางห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็พร้อมใจกันในการรณรงค์งดบริการถุงพลาสติกนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เพียงวันนั้นเท่านั้นเขาเริ่มมีการดําเนินกิจกรรมกันมาต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งบางที่เขาบอกว่าถ้าจําเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ย จะขอรับการบริจาคเงินถุงละ1บาทค่ะนุ่งบาทไหวไหมคุณผู้ฟังนะฮะเทสโก้โลตัดเริ่มต้นกันก่อนนะฮะคุณส ลินลาสีหพันธ์นะฮะกรรมปานกรรมการฝ่ายกิจาการบรรษัทเทสโกโลตัสบอกว่าทางเทสโกเองก็รณรงค์ให้ลูกค้าลดใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่องนะโดยเป็นค้าปรีกรายแรกที่เริ่มต้นโครงการภูมิใจไม่ใช่ถุงตั้งแต่ปี53าส า, าแล้วก็เป็นโครงการมอบแต้มขับก๊าซให้กับลูกค้าทุกครั้งที่ไม่รับถุงนอกจากนี้ก็ยําเน้นโครงการร้านค้าปลอดถุงพลาสติกด้วยซึ่ง3มกรกฎาคมที่ผ่านมาก็งด แจกถุงในร้านเทสโก้โลตั Express นะฮะบนเกาะช้างทั้งหมด3สาขาคาดว่าทั้ง3สาขาบนเกาะช้างเนี่ยจะสามารถลดการใช้ถุงไปเกือบ5แสนใบต่อปีอันนี้คือยาวๆไปเลยเออคือเขามองในอนาคตนะฮ ะ, ค, ะคือในคาดว่านะฮะจะมีการพิจารณาขยายโครงการไปสู่สาขาอื่นๆโดยให้ความสำคัญกับสาขาที่อยู่บนเกาะแล้วก็ใกล้ทะเลด้วย และก็รู้ไปถึงสถานศึกษาปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีร้านค้าปลอดถุงพลาสติกทั้งหมด8สาขาคือมีถนนนวมินสาขาแอมพาร์คสาขาจามจุริสแควร์ซอยมันธนามหาวิทยาลัยขอนแก่นชัยเชิด ไแบะนะฮะครองพร้าวซึ่งนักแปดสาขานี่งดแจกถุงทุกวันส่วนสาขาอื่นก็จะมีเป็นแบบวางวันนะฮะอ่ามีว่านังคานวันพุธอะไรก็ว่ากันไปนะคะมากันที่เดอะมอลล์กรุกันบ้างค่ะบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊จำกัดนะคะเปิดตัวโครงการเดอะมอลล์กรุ๊ปโกกรีค่ะซึ่งเขาจะงดบริการถุงพลาสติกทุกวันและรณรงค์ให้ลูกค้านําถุงผ้ามาช้อปปิ้งนะคะถ้าหากมีความจําเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกจะขอความร่วมมือรับบริจาค1บาทต่อถุงพลาสติกหนึ่งใบค่ะเพื่อ น, นําไปสนับสนุนการทาําานาางงนนนดด้้กกกรรรออััษ์สิ่่แวลวลมมบ WWF ประเทศไทยนะคะโดยเริ่มแล้วตั้งแต่3กรกฎาคมที่ผ่านมาในห้างสพสินค้าเดอะมอลทุกสาขา d ีเอ็มเออร์เรียมดีควอเทียรพารากอนและห้างสพสินค้าในเครือทุกแห่งค่ะท่านั่นของกลุ่มเซ็นทรัลกันบ้างนะคะกลุ่มค้าปลีกเซ็นทรัลนำโดยห้างสพสินค้าเซ็นทรัลและบริษัทในเครือค่ะก๊รณรงค์ให้ลูกค้าปฏิเสธในการรับถุงพลาสติกและนําถุงผ้ามาเองนะคะรับคะแนนเดวันนะคะสูงสุดถึง40คะแนนด้วยกันโดยแคมเปญ น, นะคะเริ่มมานานแล้วนะตั้งแต่5วิทยาลัย ที่ผ่านมานะคะขณะที่ท็อปมาเก็ตท็อปซูเปอร์สโตร์ท็อปเดลี่ก็งดให้บริการถุงพลาสติกกับลูกค้าทุกคนในทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ค่ะและทุกวันที่4ของเดือนด้วยตั้งเป้าว่าจะลดปริมาณถุงพลาสติกภายในปีนี้มากกว่า150ล้านใบคะ่ะมาดูแมกโครกันบ้างนะครับแมกโครเองก็บอกว่าเขาก็ยืนหยัดมานานนะแต่วันแรกที่เปิดทําการเมื่อสาปีที่แล้วไม่มแจกถุงเลยนะฮะใะผมจําได้ว่าไปที่ไรเนี่ยต้องเข็นขอ ง, อง ข, ขึ้นรถ คื อ, อส่วนใหญ่เนี่ยแมคโครเองก็จะขายของเป็นค้าค้าส่งอของก็จะเป็นชิ้นใหญ่ถ้าเขาจะใส่ถุงเนี่ยมันไม่ไหวพวี่อย่างพงศ์มันไม่มีมั น, ม น, มนไม่ค่อยมี น, มนะฮะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็รวบรวมตัวเลขการลดใช้ถุงพลาสติกตลอดสาปีที่ผ่านมาเพราะว่าตัวเลขน่าภูมิใจพอโหลดไปแล้วได้กว่า 5,400 ล้านใบนับเฉพาะ1ใบต่อครั้งในการจับจ่ายซึ่งลูกค้าหลักของแมคโครเองก็เป็นผู้ประกอบการร้านโชว์หวยแล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับอืมก็ไม่ไหวนะในเรื่องของการแบบโอ้โหถ้าใช้ถุงขนาดนั้น ะะที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยเองเนี่ยเราถูกจัดอยู่ในลำดับที่6ของโลกนะคะที่ปล่อยขยะลงสู่ท้องทะเลแล้วก็มาหาสมุทรสอดคล้องกับข้อมูลของกรมสรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเขาเปิดเผยสถิติ10อันดับขยะในทะเลไทยประจำปี2 5 6พบพบว่าถุงพลาสติกครองอันดับหนึ่งเลยนะคะ1 5 1่ 15, 15 4าชิ้นด้วยกันเราลงมาคือขวดพลาสติกขวดแก้วถ้วยจานโฟมหลอดพลาสติก เชือกถุงก๊อบแก๊บกระป๋องเครื่องดื่มกล่องโฟมและห่อขนมค่ะอ้าวอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ผมเชื่อว่ากระแสตามมาเพื่อนของผมเองนะเขาไปตลาดนะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ถือถือตะกร้าเชียนมาของเขานะมันก็ดูน่ารักตะกร้าสารนะคุณนะตะกร้าสารอะไรที่ใส่เด่ก็ถือไปเพราะเขาบอกว่าคือเขาอยู่บ้านอ่ะคือออกไปก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วบางที หลักๆคือเขาก็จะพยายามแยกอาหารเศษอาหารออกอันไหน<อ>าคายได้ก็<ค><ช>้ายอันไหนที่เป็นฝังกลบได้ก็ฝังกลบกันไปก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะช่วยในการอนุรักษ์นะฮะ สิ่งแวดล้อมได้๋อนนี้ต้องบอกว่ามีความรู้สึกผิดนะเวลาที่เราซื้อแกงบางทีเราซื้อแกงเนี่เขาใส่ถุงให้เราใช่ไหมเพราไปซื้ออีกร้านหนึ่งก็ให้ถุงมาอีกเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเออบางทีเราเราหิ้วถุงเดี่ยเราก็บอกว่าไม่ใส่ถุงหิ้วนะคะคือคือเอาแกงเนี่ยแกงน้อยมันก็ลดจํานวนได้นิดนึงเดี๋ยวต่อไปผมแบบคงมีถุงอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวถือไปก็น่าจะเป็นแบบ ความน่ารักเกิดขึ้นนะฮะ<ช>อา้ามาปิดท้ายเรื่องราวของจิตแพทย์สนิดนึงนะฮะ อ, ออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้เมื่อฟังทำไมต้องออกมาพูดเขาบอกว่าคนทำงานเนี่ยมันจะมีภาวะหนึ่งที่เราเคยพูดกันนะหมดไฟ ห, หรือแบดแบดหมด <c oughs> ในการทํางานใช่แล้วสิ่งสําคัญข้อกอย่างนีุ้ณผู้ฟังใครทําอยู่ห้ามเด็ดขาดแล้วก็เลิกซะห้ามหอบงานกลับไปทําที่บ้านอ้าวนะหลายหท่านบอกว่าชั้นนี่แหละทำเพราะว่าอยากกลับบ้านเร็วนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะนายแพทย์กิตกวีโพโนโค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาล จ, จิตเวชนครรัชศีมารมาช น, า ค, น, นครินทร์จังหวัดนครรัชศีมาเปิดเผยนะคะว่าภาวะเมื่อยล้าหมดไฟเนี่ยนะคะมาเกิดกับบุคคลที่สะสมความเครียดของเรื่องต่างๆมากเกินไปและไม่ได้รับการแก้ไขหรือปฏิบัติอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งก็ทำ ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับเหนื่อยล้าอ่อนเพลียปวดศีรษะเคลื่อนไส้อาเจียนปวดเมื่อยตามร่างกายประสิทธิภาพการทำงานก็ถดถอยลงนะคะส่วนผลทางด้านอารมณ์จิตใจในบางคนอารมณ์แปรปรวนนะสิ้นหวังหงุดหงิด ทะเลาะบอกแวะกับคนรอบข้างได้ง่ายรวมถึงบางคนเนี่ยก็มีการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นนะคะดื่มหนักขึ้นเที่ยวเตะทํางานสายค่ะซึ่งผอศึกษาต่างประเทศเนี่ยบอกว่าคนทํางานประมาณหนึ่งในสนะคะมีความเครียดร้อยละ60นั้นมีสาเหตุจากการทํางานค่ะอ้าวแน่นอนว่าทางด้านของแพทย์หญิงพรทิตาเลิศอมรว น, นิษฐ์นะคะจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลจิตเวชนะครราชสีมาราชนครินบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามีวิธีการนะคะในการที่จะแนะนํา อ่าทา ง, างเลี้ยงยอ่เลี้ยงก็คือยึดหลักสมรุลชีวิตแบ่งเวลาออกเป็น3มช่วงคือแดชั่วโมงนอนหลับพักผ่อนอีกแปชั่วโมงก็ทำงานอีกแปชั่วโมงก็จัดสรรเวลาเงี้ยส่วนตัวะนะครับแปดแปบอกอย่างนี้นะครับ2คือ จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นคู่มือเลยอันไหนมาก่อนมาหลังอันไหนที่ว่าจะทำก่อนค่อยแบบดำเนินการแบบอย่าไปโหมอย่าไปรีบอย่าไปฝืนนะฮะคือออกกำลังกายอย่างน้อย30มสิบนาที สัปดาห์ละสวันนะฮะเพื่อจะได้มีสารแบบแห่งความสุขหลังออกมานะฮะสี่คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นผักผลไม้นะฮะด่ทานเข้าไปอย่างเช่นผลไม้ที่มีวิตามินซีฝรั่งส้มมะขามป้อมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผักะะใบเขียวะนะฮะพูดคุยอารมณ์ขันในหมู่เพื่อนร่วมงานอย่าไปเครเครียดเจอหน้ากันแล้วโอ้โหจะลบกันอย่างเดียวคยเือนงน้าคือคุยเรื่องหนังหนึ่งที่<ะ>เราไปดูมาโอ้มันเป็นยังไงนะฮะหรือแบบโอยเมาท์มอยเรื่องอาหารการกินที่เราจะกินกันนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับที่ทําอ สาเพื่อนร่วม ง, งานหรือหัวหน้าอย่าอายเนื่องจากปรึกษาแล้วมันจะคลายมันจะคลาย<ห>า<อ>คนระ บ, บายหรืออย่าไปะ ค, ะคือระ บ, บายนะอย่าไปนินทานะไม่ใช่การนินทานนะคะเอาพฤิกรรมที่ต้องเลี่ยงเลยนะคะอย่างแรกเลยอย่าทางานหักโค้งค่ะเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะถูกใช้งานมากเสริมสมเร็วนะคะภูมิต้านทานโรคก็จะลดลงด้วย2เลยสําคัญน ะ, ะยาหอบงานกลับไปทําต่อที่บ้านค่ะ3คือการใช้เวลาว่างท่องโลกโซเชียลต่างๆและ4อย่านําปัญหาในที่ทํางานกลับไปบ้านหรือนําปัญหาจากบ้านไปที่ทํางานนะคะเนื่องจากว่าพฤติกรรมเหล่านี้ ทำให้สะสมความเครียดบิดเบียนเวลาในการพักผ่อนให้น้อยลงไปด้วยค่ะท้งนี้ใครสงสัยในเรื่องราวนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านหรือที่สายด่วนสุขภาพจิต1 3ึ่ตลอด24ชั่วโมงค่ะอ้าวเรื่องราวต่างๆ ต, ต, ต้องบอกเต็มอิ่มครบถ้วนเลยทีเดียวคุ<ช>ฟังฮะสุกนี้นะคะเป็นเป็นอีกสุกหนึ่งที่เป็นสุกต้นเดือนอหลายคนบอกว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ไปพักผ่อนกันบ้าง นะ<ช>เพราะว่าแบบเต็มกระเป๋ากระเป๋ า, าตุ้มอยู่ตอนนี้นะฮะ <c oughs> เอาสร้างความสุขให้กับตัวเองพักผ่อนให้เต็มที่นะฮะเสาร์อาทิตย์นี้วันศุกร์นี้ก็ถือว่าแบ่งเวลาและก็เคลียร์งานกันไปถูกต้องค่ะทําอัไหนที่ไว้ถ้ามไม่ไหวก็จันทก็มาเริ่มต้นใหม่หรือไม่ฟังอ๋อไม่เป็นไรขอพักผ่อนก่อนแล้วกันไม่ต้องรีบนะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้กับกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ค่ะเจ้าเกิลไมในเช้าวันศุกร์หน้านะคะลากไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ